เรื่องของเวลาที่เรามาพูดคุยธรรมะมันเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือว่าในคําสอนนี้คิด มาพบเจอความแก่ความตายพบเรานั้นจะต้องมาพบเจอความแก่ความตายความแก่ความตายแต่ถ้าเราคิดว่าเรานั้นจะต้องมาพบเจอความแก่ความตาย แต่เรามาทนว่าเออแก่ตายน่ะต้องเจออยู่แล้วเอาแต่อันนี้ไม่สอนน่ะไม่ได้สอนให้เธอทําใจทําใจจากความแก่ความตายได้นี่คือ ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราสามารถพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้นี่คือประเด็นถ้าใครที่อาศัยพระพุทพระธรรมพระสงฆ์เออความแก่ความตาย นะคนที่ไม่เคยเจอความแก่ความเจ็บความตายนั้นไอ้บุคคลประเภทเหล่านั้นนะความแก่ความตายไปใช้ นะสมัครคนที่ยังไม่ได้ทําเหตุของความแก่ความตายให้สิน ความแก่ทุกคนจะต้องเจอไม่ใช่แค่นั้นเจ็บความตายอย่างเงี้ยเดี๋ยวไม่ใช่ทําความเข้าใจแค่ว่าทุกคนจะโอ้ความสิ้นไปของความแก่ ไม่ใช่แค่ว่าเราอาศัยทําใจเกิดขึ้นจะก็ทําใจเอาไม่ใช่แต่ทางแก้ปัญหาของเหตุเหล่าๆอย่างปัญหาเค้าด่ากันว่ากัน น่ะว่าถ้าเราทําความเข้าใจเพียงแค่ฉาบฉวยว่าเออไปโกรธไปจี้จ๊าดไปลุ่มหลงใช่มั้ยโกรธจี้จ๊าดลุ่มหลง 2 อย่างน่ะ เออเห็นต่อไปอีกเป็นของธรรมดานะที่มันจะเกิดขึ้นได้นะเห็นต่อไปอีกนะเรา เรามีวิธีการสู้กับปัญหา 8 วิธีทางที่ 8 นะ 8 นั่นคือ น่ะก็คือเหมือนยังไม่สุดนะเดินไปอีกเดินไปตามทางใช่มั้ยคุณเดินไปตามทางนี้ๆมันเป็นยังไงยังไม่สุดนะเดินต่อไปอีกน่ะ ถึงก็ไม่สนใจอะไรก็มันเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วก็ช่างหัว นะเราต่อสู้เราเดินหน้าลุยนะด้วยความเมตตานะต่อสู้ นะการเดินอยู่ในทางการเดินตามมรรคเนี่ยจะทําให้เรารู้ว่าเรา ไอ้สิ่งเนี่ยเราจะต้องเจอทุกวันแล้วเราจะมีความเอ่อไม่สามารถที่จะ ความความที่จิตสวยความที่จิตมันไม่สมองจิตมีกําลังมันจะปรากฏขึ้นแล้วเนี่ยเรานะเห็นอะไรเห็นใน ทำงานที่ดีดีหรือไม่ดีนะตัดขวาในลักษณะนี้การตัดสินใจการกระทําตรงนั้นถ้าเรา เป็นลาภสการะสิ่งสรรเสริญเป็นมรรคผลนิพพานเป็นความ 8 เนี่ยจะเป็นสิ่งที่พาเราไปสู่อะไรเพราะในขณะที่เราเดินตามสมาธิทิเรา เรามีสมาธิว่ะเรามี 8 ดีเดินไปเดินไปใจเราสบายไปเดินไปเนี่ยใจเราสบายๆนำพระ นะมีความประสบความสําเร็จจากจุดนั้นจุดนี้ๆได้เพราะฉะนั้นจึงต้องบอกท่านผู้ฟังว่าอ้าวให้เราน่ะ นั่นน่ะถ้าสิ้นใจแก้ไขคิดการงาน เรื่องการทําเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนฝูงเรื่องสังคมแนวหรือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ถูก นะเราก็ต้องรู้ว่าจะเอาตัวรอดด้วยทั้งฝั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยแม้มันมีทุกอย่างเลยนะนะ แล้วฉันเอามาปฏิบัติแม้ใครจะบิดเบี้ยนเราเอาไม่เป็นไรนะฉันจะตั้งมั่นในการที่ฉันจะปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้น นะเพราะคนหนึ่งเค้าก็หวังความดีในชีวิตใช่มั้ยถ้าเรารักชีวิตของเราอย่างเงี้ยมีงูมีอะไรมาที่ ต้องการความดีในชีวิตของเราความดีในชีวิตของเรานั้นเราจึงทําความดีในชีวิตของ เราจะทําสิ่งนี้ไปแน่นอนเราจะสูงจะอะไรเป็นกิจที่ควรทําอะไรเป็นกิจที่ควรละนะอะไร คุณจะต้อง